Well, sing, ว่าวเสียงสวรรค์เล่มหนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกาเสมอไปหรือไม่และมีบ้างหรือไม่ที่บุคคลบางคนเมื่อตายจากคนก็เข้าท้องคนหรือเข้าท้องสัตว์เลยโดยไม่ต้องผ่านการเกิดเป็นโอปปาติกาก่อนและพวกสัตว์ต่างๆเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกาด้วยหรือไม่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 Life in the World ล n ์ e e นซซึ่งเป็นการติดต่อทางวิญญาณของโรเบิร์ตยูเบนสันและแอนโทนีบอร์เจียซึ่งชมรมผลดีได้จัดทำเป็นเสียงอานไว้แล้วนะครับผู้ตอบปัญหาข้อนี้คือพ่อฤาษีสราญกัสซึ่งเป็นโอปปาติกะองค์แรกที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณสามารถติดต่อได้นะครับพ่อฤาษีบอกว่าก่อนอื่นต้องขอบอกซัก่อนว่า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 เมื่อท่านได้ตอบอย่างนี้แล้วท่านก็ได้ออกตัวว่าท่านไม่ใช่จะรู้อะไรทุกอย่างเท่าที่บอกไปนั้นก็บอกเท่าที่ท่านรู้รันแล้วข้าพเจ้าก็ได้ถามท่านต่อไปอีกว่าสภาพของโลกของโอปปาติกาศที่ว่ามีแผ่นดินแม่น้ำภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ท่านมองเห็นหรือที่ท่านสัมผัสได้นั้นก็ได้แก่สภาพของโลกมนุษย์นี่เอง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 แต่ก็เป็นร่างกายอีกอันหนึ่งแต่ต่างกันตรงที่อีกอันหนึ่งเป็นกายเนื้อแต่อีกอันหนึ่งเป็นกายทิพย์เช่นนี้หรืออย่างไรและในทํานองเดียวกันทะเลสาบแม่น้าภูเขาหรืออะไรก็ตามที่ปรากฏอยู่ในโลกของโอปปาติกานั้ น, นก็คือทะเลสาบแม่น้าภูเขาที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองแต่ต่างกันตรงที่อย่างหนึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนอย่าง ท, ที่เรารู้กันอยู่ในโลกมนุษย์ แต่อีกอย่างหนึ่งเป็นทะเลสาบทิฟผ์ภูเขาทิฟต์แม่น้ำทิฟต์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงระนั้นโดยรูปร่างลักษณะแล้วมันก็เหมือนกันทุกอย่างเช่นนี้ใช่ไหมท่านบอกว่าต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทะเลสาบอย่างเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้ไปปรากฏอยู่ในโลกทิฟ์ก็มีและที่เป็นของโลกทิฟต์แท้ๆซึ่งในโลกมนุษย์ไม่มีเลยก็มี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 ส่วนสภาพที่เป็นของโลกทิพย์แท้ซึ่งไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์เลยเขาจะมองไม่เห็นข้าพเจ้าได้ซักท่านอีกว่านั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นจินตนาการทางจิตใจที่เขาสร้างขึ้นเองใช่หรือไม่ท่านตอบว่าจะว่าในทํานองนั้นก็ใช่และท่านอธิบายต่อไปอีกว่าพวกโอปปปาติกะบางประเภท จะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมภายในโลกมนุษย์แต่สิ่งแวดล้อมภายในโลกทิพมองไม่เห็นและโอปปปาติกะบางประเภทก็จะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมภายในโลกทิพส่วนสิ่งแวดล้อมภายในโลกมนุษย์มองไม่เห็นอย่างนี้ก็มีส่วนตัวท่านเองนั้นท่านเห็นได้ทั้งสองอย่างสิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์ก็เห็นตามความเป็นจริงสิ่งแวดล้อมในโลกทิพ